หน้าที่ปรากฏว่าไปล่มดูเวลาดีนะเพื่ไม่จงเื่อก่อนมาว่ากันพระร่วงหรืว่งโรดนี่เป็นอันว่ารายเนี่ยก็มาเกิดตรงอีกตอนต่อไปก็ัวจะเป็นเรื่องโกโหกนั่นเล่าให้ฟังไปจะเรื่อง วันหนึ่งเฝ้าคว่ามห้เว้าคันติดอยู่ที่ยอดระสังโอที่ขึ้นอยู่นะถ้าไปไกลาจาเสียสังาลายิมาถ้าความที่ไม่เล่นแ่านั้นเลื่อามาเวลาที่จะ เ, เอาเฝ้าก็เหยียบบาา่ามโอเรื่อมกันไปที้งเหยียบสีสักยงโอ ก็ขึ้นแล้วว่าวเขาไปเมืองขึ้นเวลาจังสิงได้ย่องแอบเข้าไปเข้าไปหาลูกสาวพระยาต่โอสะอีกเห็นไหมไล่ะเจ้าสู้ที่อย่างมันก็หมดเรื่องนี่นะเจ้าของเขาเองเขาโอเคเขาว่ากันก็ไม่ทูกของธรรมดาธรรมดายาต่อโอจะในสาวไ ส, ส้ใส่ผานคลองไว้ทังกลับมาที่เมืองเคื้องเครื่้องออกแล้ว ที่นี่ลงรงน้ำที่แก่งหลวงทาเมืองถ้าไปศรีสักกนาลาัยหญิงแก่งสั<อ>่ง พ, ง, นะงพระสั่งนะสั่งพระสุดพระสุดจกุมารลูกชายว่าถ้าพ่อไปกลับ<อ>ก็ให้แพให้เป็นจีาคองเมืองแทนพ่อเธอรงน้ำแล้วก็อันตรธานหายไปไม่ปราศพุทธศักราช ไม่ปราศกายท่านแปลว่าเวลานั้นเป็นพุทธศักราชหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองรอหนึ่งพันกแปร้อย้เป็นอนันว่าตายตายกันแล้วกันจบกันก็ทีอย่ามาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่วเป็นเที่ยวที่สามเนะพราะเที่ยวที่สามก็ไปนับ เป็นพระล้วนแล้วก็เลยเป็นพรหลนท่ค ว, ว่าสาวไสเนี่ยมันแหมมันแมหมมครับใส่ออกไปใส่ผ่านทองนี่ไครก็จะรโดแล้วว่าเป็นวิชาการสมัยนั้นคําว่าสาวไสในที่นี้ก็าอาจจะเป็นเป็นอะไรคําว่าคำว่าสาวไสในที่นี้มันก็อาจจะเป็น เป็นใครสักคนเนาะอาจจะเป็นวิธีการวิธีการเล่นกลเขามีอยู่สมัยว่าลำบราณเขามีวิชาแบบแปลกถ้าเป็นสาวไส้ก็ไดนะ้แล้วก็ต่อมาตอนนี้จบกันสักทีเนี่ยจบกันสัทีหนึ่งอันนี้มันเกิดจุดกล้างแล้วล่ะ เกิดเป็นมังรายเกิดเป็นสมันเอนอ๋อเกิดเป็นพระเจ้าพระเจ้าพรหมกอดพระมรรคก็เกิดกันสี่เกิดละสิในแทระยะสองพันปีนี่มีสี่เกิดนะนะออี่มีท่านเล่าทิ่งการเกิดลูกลูกเถอะเห็นไหมถ้าตัณหามันยังไม่หมดในความอยากยังอยู่ ปัญหาคือความรักติดอยู่ในรูปสวยเสียงพร ะ, พระกลิ่นหอมรสอร่อยความโลภอยากจะรู้เป็นใหญ่ความบา้าอยากจะมีอำนาจเหนือคนความหลังของคนคิดว่ามันจะไม่แส่ไม่ตายนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นั้นขอมันบาลลูรักทั้งหมด จงอย่ามีความปรารถนาตามนั้นลืมมันเสียเรื่องขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราโลกลักถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงก็ดูตัวอย่างพระเจ้ามังรายพระเจ้ามังรายเวลานี้ไปเรอะไรยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียราอดนะคือไปเรียรอดอยู่ที่ไหนก็ไม่ท ร, ราบนี่เรา ที่นี่เราดูเงแค่สมัยความเป็นไทยและนอกจากสมัยความเป็นไทยท่านจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเอา้าท่านว่ายัางไงท่านปู่จะว่าอะไรกันอีกละ่ะท่านบอกว่าครั้งที่ห้าตายจากความเป็นพระร่วงแต่ความจริงตอนนั้นจะเล่าใฝ้ฟังท่านปู่ท่ า, วาอว่างนี้ โบราณเนี่เขามักจะพูดเลยความเป็นจริงไปแต่ความจริงไม่ได้สาวไส้ไม่ได้สาวคงและก็ไม่ได้ไปจมน้ำตายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนที่จะหายตัวได้สองคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามคนเรียนรู้จบไตรเพศสี่คนที่มีอำนาจวาสนา กราบเมืองเพียงสองเมืองพัเมืองอื่นๆรู้เรื่องรวมนาจวัสนาบามีและก็ห้าเวลาที่มาเกิดนี้ก็มีช้างพลายประกายแก้วคือช้างเผื่อขาพลนงานดำเขี่ยวงูเป็นคู่กันช้างก็มาจากผมคนประเภทนี้จะฆ่าไกลง่ายๆนะั้นมันฆ่าไม่ได้ เป็นนั้นว่าด้วยอำนาจวาสนาบารมีของท่านมากถ้าท่านมาจากกสมุญญาที่การมีอยู่ยังได้เจริญสมณธรรมทรงฌานสมาบัติเมื่อกลับจากเมืองตองโอทีอ่ว่าเหยียบบา่าเหยียบหัวพระเจ้าตองโอก็ไม่ทําอย่างนั้นคนที่เขามีวัญญาติเขาไม่มีประมาทถึงขนาดนั้นเป็นนั้นว่าว่าไปติดข้าวพญายตองโอก็รับอาสา ให้เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บเอามาให้ไม่ใช่ไปเหยียบบ่าเหยียบหัวเขามันเกินพอดีไอ้ยอดปราสาทที่เหยียบบ่าก็ไม่ถึงเหยียบหัวมันก็ไม่ถึงจะขึ้นไปยังไงถ้าอมือเอื้อเหยียบหัวถึงยอดประสาทก็สแสดงว่าตัวต้องสูงเท่าเปรตนี่เปอมไรท่านปู่ท่านเล่าใ้ฟังตั้งแต่ตอนนูน้น ท่นเล่าและทัานอธิบายว่า ก, การเขียนประวัติศาสตรต์มันจะเขยนกันเลยเถิดเลยทงไปเป็นอันว่าพราะาร่วมนี้มาจากพรมแล้วก็พรมมาเป็นช้างเป็นคนมีคนมีบารมีมากดังนั้นเกิดมาชาติใดก็ขยายอาณาจากจอยู่ตลอดเวลาอันนี้นี่เกิดสี่ครั้งท่านบอกว่าวาระที่ห้าว่ากันย่ยอดอีกว่า วาระที่ห้าก็มาเกิดเป็นพวกขุนสีเมืองมานพ่อขุนสีเมืองมานนี่ตาประวัติสายเขาก็ไม่มีพ่อขุนสีเมืองมานนี่ก็เป็นเครือเดียวกับพวกขุนสีน้ํานําถมเป็นคนรุ่นรองกันนิดนิดอยู่ติดติ ก, กันนี่นก็เป็นคนดบริที่จะคิด ครอบครองคือว่าจะแก้กู้อำนาจจากไทยข อ, ของของขอมาเป็นไทยเกิดทีไรไนะเกิดทีไรยุ่งทุกทีเพราะนั้นไทยหลังจากคุณพระร่วงลวงโรดและพระร่วงพลืงสองพี่น้องนี่ตายแล้วบรรดาลูกลูกก็ไม่สามารถจะครองได้ความเป็นไทยเป็นส ร, ราช เอยให้ชาติหอมขอมเวลานี้มันก็สิ้นชาติไปแล้วขอมนี่ไม่ใช่เมขมรเขมรที่จริงๆนี่มันมาจากอินเดียนะมันจะกึก่งประส่วนหนึ่งของอินเดียมันไม่เคยเป็นเป็นตัวของมันเองเลยมันเป็นชาติคนโน้นชาติกันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นกับยนุนเดี๋ยวก็ขึ้นกับไทยดีไม่ดีมันขึ้นทั้งยุนทั้งไทยดนเราสองตัวเป็นชาติเป็นสาภาพวันนี้เขมรไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีสภาพ ไม่มีสภาพเหมือนตัวเองเลยของนั่นก็คือไม่ใช่ขมือน๋ยวนี้ชาติสลายไปแล้วหน้าตัวยมปนกับไทยก็ไม่รู้มันป้นเปี้ยงกันไปเป็นอันว่าลูกไม่สามารถจะรักษาความเอกลากษไว้ได้ของก็ยึดอำนาจไว้ตามเดิมมาตอนหลังนี่เป็นนั่งอยู่โน่นเป็นนอนอยู่บนพรมหกเจ็ดร้อยปี หกเจ็ดร้อยปีของของของมนุษย์ทนไม่ไหวนั่งมองมองมองดูคนไทยบอกเออคนไทยนี่เราเหนื่อยเพื่อไทยมามากแต่วางมือไม่ได้วางมือทีไรยุ่งทุกทีนี่ไม่ได้การต้องรีบจะดน ล, ลงมาสักทีแต่ความจิ้มเดียรีมันนั่งเกินนั่งสมาธิหลับตาปีสบาย คนที่เตือนก็คือใครากาพรหมากาพรมก็ย่องย่องข้าไปบอกนี่พ่อเทวดาพ่กรมพ่อผ ร, รมร่วงพ่อพมหล่นจะว่านั่งแงแกแหลแตอยู่ทำไมี่ลืมตาบ้างที่ว่าคนไทยที่แกสร้างสรรไว้นะ่ะแกช่วยสร้างความม็นลึกแผ่นแน่นหนาว่าเวลานี้เอายิ่แล้วเหลวแลอีกแล้ว ลงไปตามหน้าที่ในแท่นไหนฐานะทิ่ปรารถนาพระโภธิยานพระโภธิยานนี้ต้องต่อสู้กับความความทุกข์ให้ความสุขแก่คนอืน่นอย่ามานั่งทำหน้าแช่มเชื่ออยู่แบบนี้นะมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของโภธิยานแม่องค์นี้ก็เป็นพรหมช่างเตือนจริงๆถามว่าเป็นยังไงบอกดูที ไทยเป็นธาตุอมันแช่อำนน่าเกินธรรมมีความร้ายกาจหยาบสาบครมากไอเอ อ, เ อ, อแต่โอนั่งจะกระถามผมร่วงเนี่ยผมร่วงแล้วผมหล่นจะก็ถามอต่จะให้ฉันไปคนเดียวให้ขายไปบ้างบอกจะส่งคนไปขี่ไม่เป็นไรก็นี้จะต้องขยายนาจากไทยให้ถึงสิงคโปร์ ปลายสุดแหลมไปเลยเอาได้ถนัดแต่ว่าจะส่งไปหลายคนหน่อยทางด้านเหนือจะส่งคนไปอีกไปสกัดด้านเหนือเขาไว้จะให้เ็าสร้างความสามาคัคคีแต่ในตอนต้นนี้ท่านต้องไปเริ่มต้นไปก่อนคำถามว่าถ้าเริ่มกีอกตอนนี้แล้วก็บัญญัพังอีกไหมละ่ะถ้าบัญญัพังอีกก็ไม่ต้องไปเริ่มกันแล้วเลิก เริ่มที่ไรพังทุกทีเริ่มที่ไรพังทุกทีไปเริ่มมันทําไมปล่อยมันอยายจะเป็นที่คงนี้่าก็เข า, ขามไม่รักชาติก็ชังมันแต่บอกไม่เป็นไรจะเริ่มตอนนี้แล้วก็ไทยเป็นไทยตลอดไปจะมีบ้างกับขยโยขยเยขยโยขยเยแค่ถึงขนาดพังเป็นท้ายเขาทั้งชาติอย่างนี้มันจะไม่มี ก็ยังมีบ้างตามกฎข้องกรรมของสัตว์ที่มาเกิดแม่พ่อหมอดูนี่ก็เก่งไม่ใช่เฉลิงเนี่ท่านปู่ท่านบอกให้ฟังนะนี่อย่านึกว่าหลวงพ่อรู้เองนะท่านปู่ท่านบอกให้ฟังบอกเอาตายง่างเอาก็ขอริว้วริว้รวรวรวแล้วเข้าท้องแม่พับก็ให้ออกมาแล้วยังท้องแม่แว่าเรื่องเข้าท้องแม่อรารวาต แสดงความอารวาสแม่แพ้ทองทำยังไงอยากจะกินเลือดขอมมาแล้วถ้าไม่ได้เลือดขอมมากินจะตายพ่อก็ขยโย่คอเยคอยโยกขอเ ย, ก, ย, ก, ยกไปเจอขอมเส่อเสื้อซาติพับฟันคอพุกตายลองเอาเลือดมาให้หน่อยดื่มมันทั้งเลือดสด แม่ดื่มเลือดสดสดหน้าตาสดชื่นแจ่มใสยิ้มแยม้มผิวพรรณผ่องใสผิดปกติสวยขึ้นกว่าเดิมพ่อมองดูแม่บนเรื่องถามว่าแม่นี่ถ้าฉันรู้ว่าเธอกินเลือดของแล้วมันสวยว่าเก่าสวยขึ้นนี้ฉันหาเลือดให้กินนานแล้วฉัน แ, แม่บอกว่าเวลาอื่นให้กินฉันไม่กินเพื่เกลียดเลือดเจ้าค่ะ ตอนแพท้องไอ้ลูกคนนี้ทำไมไม่อยากกินเลือดของก็ไม่รู้เป็นอันว่าสันแดงสัญลักษ์หลังจากกินเลือดของไปแล้วคนท้องแทนที่จะ ก, กลายเป็นคนอ่อนแอกลับเป็นคนที่เริ่มมีความเข็งแข็งแรงมีอาการเปลี่ยนเริยานิ่มนวนชดช้อยชดช้อยนิ่มนวนเป็นเริยาปกติ แต่ตอนหลังนี่ชดช้อยว่ากล่าวพูดหวานหวานเคลือพูดดีปลูกสร้างความสามัคคีมีความแข็งแรงเหมือนผู้ชายฝึกวิชาการรบมันแสดงตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเริ่มอลาวาาตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกจากท้องแม่มาลูปร่าหน้าตาสะสวยผิวพรรงาม แต่รู้สึกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดต้องคิดท่านบอกว่ามีไฟที่หัวคิ้วขวาไฟตัวนี้เป็นไฟสีแดงพ่อแปลกใจเอามาดูให้โหนมาดูโหนบอกว่าได้เรื่องแล้วโ <c oughs> หนก็แนว่ว่าจับยามสี่ตา เขาจับยามสามตาสามตามันเดินไม่ถนัดเขจับมันสี่ตาดูไปดูมาบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากสามารถจะสร้างสรรปูพื้นฐานรวมไทยได้ตลอดถึงแหลมมาเยูนน่นโอ้โหผูพื้นฐานไม่ยักเอาเองฮะแล้วต่อมาเวลาที่จะขนานนา ท่านพ่อก็นิมนต์พระมาะมีท่านบูเทาอยู่สองท่า น, านอ้วนท่านหนึ่งพร้อมท่านหนึ่งดำๆำทั้งคู่แต่คําว่าดำก็ไม่ใช่ดำผีผิวคลําไปหน่อยก็เป็นนักแสดงมาถึงเวลาสวดมวนต์สวดเสร็จพระอีกเจ็ดองค์เขาสวดเสร็จหยุดพระอีกสองสององค์หยุดแต่หลับตาปีก็เลือมตาก็มาก็บอกว่าเด็กคนนี้มาจากพร หวังจะมาโก้ชาติไทยจะมีสายชาติร่วมใจกันก็คือมีคนต่อไปที่คุณศรีนาวนำถมจะเป็นคนปูพื้นฐานของไทยให้เป็นไทยตลอดการตลอดสมัยไทยจะไม่สลายตัวไปอันเด็กคนนี้สร้างไทยเป็นไทยเป็นเอกราชมานานแล้วเมื่อไทยถึงงความย่อยยับก็มาเกิดเพื่อสร้างความเป็นไทยให้เป็นปึกแผน แม่ตอนนี้เองนั่นแหละพอลุงตาสององค์พยากร์เป็นคนที่มันเขามีความเคารพนับถือกันมากเอาดัสิตของขวัญของกำนันเงินทองมากันหลังไหลเยอะแยะร่ำรวยท่านแม่ท่านพ่อก็สร้างเป็นธนาคารขึ้นมาเป็นของส่วนกลางสร้างสรรพาวุธ ทำเป็นทุนในการฝึกทำเป็นทุนในการศึกษาระเบียบทำเป็นทุนในการศึกษาวางแผนพ่อเริ่มงานก่อนพ่อเริ่มงานก่อนรวมคนรวมคนว่าไทยต้องเป็นไทยขอมมันก็คนไทยก็คนในเมื่อคนต่อคนมันจะสู้กันมันจะแปลกอะไรถ้ามันวิเศษจริงมันก็อยู่ ถ้ามันม่มีเศษจริงมันก็ตายเราไทยกับขอมมันต้องตายกันข้างหนึ่งมีพ่อกับนักเกลงเหมือนกันไว้เจอลูกนักเกลงพ่อนักเกลงมันก็สนุกกันใหญ่เป็นอันว่าพอโตขึ้นมาก็เป็นคู่หูกับคุณน้านำถมถ้าคุณน้านำถมนี่เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวได้ขัดมาก รู้สึกว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่ว่าเจริยาคขท่านสวยเจริยาดีมากแต่เป็นคนอ่อนช้อยแบ่งงานกันให้คุณน้อมนาผมเป็นคนอ่อนน้อมต่อขอมแต่พ่อศีเมืองมานี่เป็นคนพูดดียิ้แย้มแจ่มใสแต่ขอมพูดไม่ชอบใจก็บอกว่านี่ไทยนะ ไทยก็คนนะคอมก็คนนะถ้าจะเอาอะไรกันก็เอากันแต่เพียงดีๆแต่ใช้อำนาจแบบนี้มันต้องใช้ดาบเป็นก่อนถ้าแกไม่ยังไม่อยากเจ็บตัวยังไม่อยากตายแล้วกลับไปแล้วกลับมาพูดใหม่อย่าเอาแตคนเดียว ก, กลัวแกนน่นไปคุยกับท่านนาว น, านำถมน่นคนนั้นเน่ยเขาก้มหวห้แกได้ทุกอย่าง ฉันมาเกิดนี่ฉันไม่ได้มาเกิดแต่ตัวนะฉัเอามือเอาเท้ามาด้วยนะแกจานึกว่าแกเป็นนายฉันที่ฉันให้แกทําตามชอบใจอย่างนี้ฉันถือว่าเป็นไปตามประเพณีที่มันเป็นมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นขอมันก็คนไทยมันก็คนถ้าคอไทยฟัขอมฟันไทยคอขาดได้ไทยก็ฟันขอมคอขาดได้ ตอนนี้อถอนมือคอมชักถ อ, กอย ก, กรบต่อมาก็มีลูกมีหลานเจ้าขอมืินท่า ม, มาด้กันเอาลูกหลานไปเป็นูกเขยเห็นท่าจะต้องแข็งเมืองเป็นอันว่าสมัยนั้นก็ฝึกปือบรรดาประชาชนงหลายให้รู้จักในการรบรู้จักรักรู้จักรบรักหมายถึงความสามัคคีในชาติ <c oughs> เชื่อด้วยไทยด้วยกันอย่ากโกงกันอย่าโุหกเหงกันอย่าทำลายกันลิงกับฟันย่อมมีการกระทบกันได้ชั้นใดคนไทยแล้วถึงไม่ว่าจะโกรธกันบ้างกับควรจะให้อภัยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายควรจะฝึกอาวุธแล้ว่าหาแหล่งที่ก็มีทองที่ไหนทรัพยากรมีที่ไหนไปหาที่นั่น <c oughs> แล้วก็สอนวิธีทำทอง นอกจากทองที่ขุดมันได้ก็ยังสร้างทองได้ด้วยตนเองก็มีความร่ำรวยขอมันเห็นรวยใครมันก็อยากจะได้คอยไทยทรงสวยมากกว่านั้นจึงได้เข้าไปสัมพันธ์ถามว่าจะเอามากกว่านั้นหรือว่าจะไม่เอาเลยไอเดียให้อยู่แล้วนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันมากเกินไปแล้วถ้าต้องการมากกว่านี้ก็จะไม่ให้เลย ข้อมทาตาปิดๆเจอคนบ้าเขาของก็เลยบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็ขอเท่าเดิมบ่กขอเท่าเดิมจะให้แต่ว่าจะให้เป็นนานตลอดหรือไม่ตลอดไม่แน่เราจะไม่บอกอีตาเมืองมานี่รู้สึกว่าใจบองๆ บ, บอกได้ว่าอย่าใช้อํานาจให้มันมากเกินไปนะเราเป็นคนเหมือนกัน การให้สวยนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบบันเกินไปพผื้นแผ่นดินผืนนี่ขอไ ม, ม่ได้สร้างไว้นะโลกนี่ขอไ ม, ม่ได้เป็นเจ้าโลกมม่เอาดินมาถมให้เป็นโลกยาใช้อำนาจให้ม่กเกินไปที่ยอมอ่อนน้อมให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีถ้าไม่รักประเพณีที่อย่างเดียวขอจะไม่มีที่อยู่ ความจริงเวลานั้นเราพร้อมรบเราพร้อมรบแต่เรายังไม่รบแต่ว่าเพราะพวกเราอายุมากไปแล้วให้ลูกให้หลานรบสั่งสอนลูกหลานคือพัคขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางเท่าให้รับประเพณีนิไว้ต่อมาปรากฏว่าเมาื่อายุสามสิบปีเสร็จใกล้สี่สิบปี พันยาคือแม่สีตายสีอะไรก็ไม่รู้นะที่ยาวไหมอ๋อท่านปู่บอกแม่สีตายแม่สีไหนล่ะพันณวดีสีโสภาคพันณวดีสีโสภาคเธอตายมีเมียกี่คนอ๋อีเมียมีเมียหลวงคนเดียวนี่ แต่มีเมียรัชกี่คนอ่ะสามสิบพอแล้วมันเหนื่อยไตหาไอ้โต้เอ้ยฮัมโทไมมีมากงั้นล่ะบอกเขาสมัครใจนโทจัดเรียงคิวยังไง ร, ระวันตะคนตะทิธามันก็แย่หน่อยเปรา น, นะว่าต้องจัดหลีกกันดีหน่อยมันตีกันตายออมท่านได้มีลูกมากลูกมากหลานมากนะ เป็นอันว่าไม่พนวดีสีสภาพปัญญาใหญ่ตายก็าบวชบวชหน้าไฟให้เมียก็เลยไม่สิบเลยพวปรากฏเลยยี่สิบเก้าคนนี้สู้ไม่ไหวตอนนั้นก็จำใจจำเกลือนยังไม่มันไม่ไหวแล้วท่านเจ้าชูนี่เนอะไม่รู้ตัวที่หลังที่ตัวไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องพัก ตอนบวทนี้ก็มอบหน้าที่ให้เป็นพ่อคุณเน่านำถผมนำทีมฝ่ายพระวัดฝ่ายพระก็ตั้งมหาวิทยาลัยการรบการปกครองการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างการคลังเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาในวัดทั้งหมดคอยวัดต่างๆพระไรการนักรบเก่าๆ ฝึกสอนวิชาการรบให้แก่เด็กวัดสอนวิชาการปกครองสอนชาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การคลังสอนให้เด็กรู้จักความสามัคคีรักในธรรมประพฤติในธรรมท่านว่างไรอีกนล้วก็ว่าต่อไปหลังจากนั้น <c oughs> ท่านพระเมืองมันก็ออกทุณ ด, ดง อาทุต ด, ดงตั้งแต่เหนื อ, อยันนครนสีธรรมราชเพราะว่าทราบอยู่ว่าคนไทยอยู่เกลื่กลาดตลอดไปหมดเวลาทุต ด, ดงไปปักทุต ด, ดงก็เป็นคนเก่งมีคาถาอาคมเก่งขย่ายาค่าก็ค่าขยาจะขายก็ขายขยาจะรวยอยากจะได้เมตตามาหานิยม ไทยอยากจะได้หนังเหนียวคงอภะันญาตีแค่คร า, าดมีทุกอย่างมีทุกอย่างเพื่อเป็นการล่อใจคนคนไทยชอบมาทําบุญใส่บายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ใ, ในเวลาเดียวกันก็ปลุกให้รู้จักว่าเราเป็นไทยนะเราเป็นไทยต้องรักความเป็นไทยต่อไปไทยต้องเป็นเอกราชไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม ให้ทุกคนพยายามกลมเกลียวมีความสามัคคีกันฝึกปรือการรบเขาไว้แล้วก็ฝึกปรือการสร้างสรรประเทศให้มันมีเรียก ว, ว่าให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจทำ <c oughs> มาหากินได้เก็บหอมรอมริบเอาทรัพย์กันไว้ถ้าสงครามมันเกิดจะต้องจับจ่ายใช้สอยมาก จะไม่ลำ บ, บากในการบริโภคโยอุปโภคบริโภคนีพระทูดงสมัยนั้นนี่น่ากลัวจะไม่เห็นพระ <c oughs> อย่างนี้เขาบ่าเดินดงแล้วไม่ใช่ทูดงพอไปถึงจุมพยก็ได้เจ็กพร้อมคนหนึ่งเป็นกำลังใหญ่จนทั่งเดินไปถึงนครสีธรรมไรนั้นเดินเรื่อยไปจนทั่งถึงสิงคโปร์ ทุดดงกันเป็นแรมปีไม่ใช่ทุดดงแรมเดินเขาเรียกว่าเดินดงเป็นอนวบกลับย้อนถอยหลังกลับเข้ามาอีกทีก็ปรากฏว่าคนไทยดีขึ้นมากนี่แล้วต่อมางานจากคราวนั้นหลังจากนั้นมาก็ส่งหน้าที่ให้พ่อคุณบางกลางเท่ากับพ่อคุณผาเมืองเมื่อกลับมาแล้วบอกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือได้ เป็นอันว่าเรื่องราวของน้วนำถมคือว่าพ่อขุนมังรายกลับมาเกิดเป็นคนในวาระที่ห้าในคราวนี้เมื่อเศรษากิ จ, จกในการสร้างสรรค์ความสามัคคีจากความเป็นไทยนารยะเดียวกันก็ไปอยู่ที่วัดต้นจันทร์เจริญสมถกรมาาม ร, นนกรมฐ า, านวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ตาย ตายแล้วก็ไปไหนตายแล้วก็กลับไปอยู่ที่รมันโลกนี่เป็นอนุว่าหมดวาระทันทีเกิดเกิดตาตายแบบนี้มันไม่เป็นเรื่องโลกครับมองดูเวลามันจะเลยเอละไรวันนี้ก็ต้องขอลาก่อน <c oughs> ถ้าฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลตรงมีเดลูกหลานทุกคนสวัสดี